วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์เท่<ม>า ก, กับวันที่ยี่สิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดเื่องเวลาค่ำคืนก็เป็นวันสุดท้ายของเดทของปีนี้ก็ได้<ม>เรื่องที่พอชันให้แนะนำกับพวกเธอวันนี้ ก็เป็นเรื่องของคำ ว, นะว่าที่พึ่งสาระแปลว่าที่พึ่งที่เรามักจะได้กล่าวใช้คำยามที่เราได้กราบพระหระือว่าการทำสิ่งใดเพื่อเป็นที่มั่นคงในตัวเราเองในงวเวลาจะตั้งใจที่จะรักษาศีล้วก็กล่าวถึงสาระที่พึ่งอันยอดเยี่ยมก่อนเสมอ เมื่อเราจะท่องกาถาบทใดเราก็ต้องนึกถึงปรณะทที่พึ่งอันยอดเยี่ยมเสมอนีกคำว่าปราณะอันยาตเยี่ยมที่เรานึกถึงคิดอยู่เสมอก็ไม่มีปรนะอื่นใดที่ยอดเยี่ยมไปยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมและพร ะ, ะอรยิยสงฆ์ถูกไหมแังปรนะท์ที่แปลว่าที่พึ่งของเรายังต้องอาศัย สิ่งนี้เพื่อการ เ, เดินไปสู่ความพ้นทุกข์เพราะเธอทั้งหลายยังไม่ใช่พระอารหันต์ผู้ที่จะกล่าวได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่าอัตติหิอัตนโนนาโถโกหินาโสปรโรติยาอัตติหิสจุธันเตนะนาธรรมลมมจจะพันตุผลัภก็มีแต่ผู้ที่ห่างไกลสิเลสแล้วคือพระอารหันต์เท่านั้นเน กิงจะสามารถใช้คำในด้ยายเต็มเต็มแต่ถ้าเธอทั้งหลายยังไม่ใช่พูดปฏิบัติเข้าถึงซึ่งความเป็นอรัสสะโอดสาระที่ครึ่งยังต้องมีเกิดขึ้นในใจของเธอทุกขณะยิ่งโดยเฉพาะเวลาที่ใจของเรามีความทุกข์มีความหวาดกลัวมีความกังวลโ่ยปกติทุกคนน่ะ ยามที่ไม่มีเรื่องราวอะไรนั่งนิ่งสงบทันใจให้สบายก็ะจะน้อมใจไปสู่ขุดของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เพื่อให้ใจของเหล่านั้นรวบรวมสมาธิทำให้จิตเข้าถึงควาบริสุทธิ์คิดตั้งสงบนได้เร็วถูกไหมแต่ยามที่เคยกำลังเจิญกับสิ่งที่เป็นทุกข์ หรือว่ามีวิปลาอะไรมาจอนเข้ามาในจิตใจของเรากระทบกายเราก็ตามณเวลานั้นตามไม่ถึงพอใจในอารมณ์มันมีที่เรียกว่าทุกก็ได้แต่เวลาใจเราทุกขเราก็มักจะคิดพิจนารณาด้วยตัวของเราเองเราก็คิดหาเหตุหาผลที่เราสามารถจะช่วยยักยังความทุกข์หรือความกังวลที่เกิดขึ้นในใจของเราก่อน คามคิดเราเหล่านี้มันไม่สามารถจะช่วยให้เราพ้นจากความทุกข์ไปได้เพราะเธอคิดในขณะที่เธอมีความกลัวมีความวิตกอย่างนี้เป็นต้นจะลองพิจนารณาตัวของเธอเองว่าจริงไหมเรามีเรื่องเรื่องที่ทุกข์ใจอย่างที่ทุกข์ใจน่ะที่เราจะวิ่งเขา้าหาพระเป็นอันดับแรกเลยยาง ไม่ทันจิตเซนเกไม่ทันสิ่งที่เซนเนตเป็นตกแต่คือเหตุและผลที่จะเอามาเพื่อจะดับความทุกข์แห่งตนโดยความรู้ที่เธอที่ว่าจะรู้จะเข้าใจจะเอามาใช้จะในความทุกข์ของคนหลายคนมันมีความละเอียดราดัที่แตกต่างกันไปใช่ไหมละ่ะถ้าความทุกข์ยากหยาด คามเป็นพระโสดาบันก็สามารถจับทุกได้ด้วยตัวของท่านเองด้วยผลแห่งความเข้าใจที่ท่านรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่ท่านเข้าใจในความจริงของอย่างใหญ่แต่ถ้าละเอียดไปฝ่านังพระโสดาบันก็ละไม่ได้เวลาความทุกข์ในใจไม่ได้ผลที่ใจเข้าถึงมันยังไม่สามารถไปสเนจรจับางความทุกข์กที่มีอยู่ สิ่งที่เป็นปกติของมนุษย์ทั้งหลายหรือตามคุณเคยคิกเองพยายามที่จะหาเหตุหาผลในตัวของเราเองเพื่อจะแก้ไขสิ่งที่เป็นทุกข์ของเราแต่ถ้าเป็นพระปิกิชาคามีท่านทุกข์มากละเอียดตอนนั้นหน่อยท่านก็ไม่จําเป็นต้องพึ่งพาอะไรก็พึ่งพาเป็นผลที่ใจท่านเข้าใจแล้วเอามาชรระตัดสางจิตใจของท่านเอง เดี๋ยเมืากระทบอารมณ์ที่เป็นความโกรธอารมณ์ที่ไม่ชอบใจแล้วต่อดาดันก็ยังไม่สามารถที่ใช้เหตุผลในความปิดติเข้าไปสำลาดใจของตนให้หยุดจากความทุบของใจที่มีอยู่ได้ก็ใช้เหตุผลอื่นๆเ ข, ข้ามารนะนัดกว่าจะมาจะดัดใจลงไปให้คลายจากความโกรธคลายจากความ ห, มดหุดจิตไม่ชอบใจก็ใช้เวลาอย่างมาก ตั้งแต่ต่างกับพระอน า, าอนาคามีพระอนาคามีท่านถึงคนต้องตากเข้าใจแล้วเวลาถูกกระทบด้วยอารมณ์โกรธก็ดีอารมณ์ไม่ชอบใจก็ตามก็สามารถทิจจละด้อับผลที่ใจเข้าใจโดยไม่ต้องนึกถึงเปี่ยนตื่นใจเอามาเป็นเชื้อพิจารณาแต่ถ้าอารมณ์ทุบมันละเอียดมากไปกว่าพระอนาคามีแล้ว ถ้านาคาเนี่ก็ไม่สามารถที่จะดับระนับความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจของตนได้ขนของตับเข้าใจได้ก็ต้องอาศัยเหตุผลหอื่นๆเข้ามาคิดนละมาพิจารณ า, าแทนไปจะจับตัวความสงบได้ก็นั่นหมายความว่าก็ต้องมีสติกลับมาแต่โดยปกติที่เป็นกันตามคุ้นเคยแล้วว่าจะหาเหตุผลสิ่งต่งางๆเข้ามารังหัด เยอะมากกว่าพระอรหันต์ท่าจึงสามารถจะรณ์ดับความทุกข์ได้ทุกพินาธีทุกเรื่องไม่มีสิ่งใดที่พาาาระอรหันต์ดับความทุกข์ไม่ได้ท่านจึงเป็นผู้ที่พึ่งตนเองได้แต่ไม่ใช่ว่าพระพุทธธรรมพระอาริยตงฆ์ไม่มีในใจมีแต่ท่านไม่ต้องอาศัยสิ่งนั้นจะดับความทุกข์ถูกไหมไม่ต้องได้ถึงพระพุทธเจ้า ก, ก่อนไม่ต้องได้พระธรรมคำสอนสั่งสอนที่องค์ตรง ให้เราได้พิจารณาเพื่อเอามาเป็นเหตุเป็นผลและนับตามทุกของเราไม่ต้องระลึกนึน่ถึงพระ อ, อริยสององค์ใดที่ท่านแนะนำทมต่อเราจะเป็นาการย้าสติให้เกิดสติสัมปชัญญะของเราขึ้นมาก่อนถ้าเพิ่มมาถึงขนาดเนี้ยพอรู้เรื่องไหมและก็ตูดง่ายๆให้เธอเข้าใจ ว่าอยากที่เิดมีความไม่สบายใจทุกใจไม่ว่าจะเรื่องอะไรหากว่าเจยยังต้องใช้เหตุผลนอกเหนือปัตธรรมคือความจริงที่เิอเข้าใจนั่นเป็นเครื่องยืนยัดว่าเจอยังปฏิบัติยังไม่ถึงผลขิดถ้าตัวดาบันเนี่ยก่นระนับทุกเวชนาในจิตของท่านเนี่ยที่เกิดขึ้นจากอารมณ์กระท ยังยากอยู่ในเรื่องของอตรวสอบรละเอียดแต่เรื่องที่เป็นของภายนอกเึ่นวัตถุ ธ, ธาตุทั้งหลายที่จะดับจะพังแม้นคนจะตายใครจะตายก็ อ, อายะขั้นนี้พระโสดาบันท่านกัลั บ, บลดับได้ความจริงจิงคงือท่านยอมรับกับของกรรมตัตายท่านจะยอมรับเพราะเปกรรมคนตายท่านจะยอมรับเป็นกัของกรรมเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องเป็นเช่นนั้น แต่อารมณ์ที่ละเอียดใจกว่านี้ถ้าโสดาบันจะละงับงไม่ได้เพราะท่านยังยืนยันรูปเข่งจิตลดสําผัสถ้าเป็นเหล่านี้โูญหายหรือว่าเป็นใจอย่างอื่นจิตท่านก็จะมีตามกระตับกระต่ายยังไม่สามารถที่จะระงับอารมณ์เป็นโทตะางอันเกิดขึ้นจากการกระทบกระทั่งก็ยังรับไม่ได้จะเพียงว่าโกรธเจจริงแต่ก็ไม่ถูกพยาบาทนากฆ่า ไปช่ืยปะทุษร้ายทำรายเขาทั้เสียงที่เธอทุกคนเนี่ยก็ปเราปฏิบัติอยู่ที่ครูบาอรยที่พระพุทธเจ้าทรงจัดเป็นสถานที่ยอดเยี่ยมที่เรานะรักแล้วก็ศรัทธาน้อมนำเอาเป็นที่พึ่งเมสมอเสมอทำไมเัวไม่เอาสิ่งนี้มาเป็นเสื้อเติอนตนไว้ตลอดเวลาเล่า จงอยากระมาในชีวิตตัวเราเองว่าเราไม่ยังไม่ถึงที่สุดคือยังไม่ใช่พระอาาราสผลเราจะทิ้งสิ่งที่เป็นของดีงามที่สุดโดยจะเป็นที่หลังเรื่องที่เราเอาเหตุอาผลต่างๆมาคิดก่อนเอาสิ่งนั้นมาเป็นใหญ่มาเป็นที่พึ่งมาเป็นสนนัะของเธอซึ่งมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยเธอพระ่าก็าเป็นอย่างนั้นจิ่งิดยิ่งฟุ้งซ้าน ยิ่งคิดยิ่งวิตกกังวลยิ่งคิดก็ไม่สามารถจะระดับระงับแบกความทุกข์ที่มีในใจของเธอได้ขึ้นแต่เมื่อใดก็ตามที่เธอรู้ตัวว่าเธอกำลังมีเรื่องไม่สบายใจเธอรีดนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนนึกถึงพระอริยสงฆ์ทั้งหลายที่ท่านทําต่อเรามาถ้าเธอนิ่นนึกถึงสิ่งนี้ขึ้นมาค่าวใดเธอก็จะมีสติรนะลึกนึกรู้ได้ว่า ความสงบภายในใจต้องมีก่อนแล้วก็ระหัดมิวานห้าประการออกจากใจเราไปก่อนให้ติดก็เรานิ่งสงบไปก่อนนั่นคือวิธีที่ดีที่สุดสําหรับเราผู้ที่ยังไม่ถึงที่สุดคืออรรถผลนั้นเมื่อยามใดก็ตามเธอต้องติดไว้เสมอว่าอารมใจเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนมันสามารถจะเกิดความทุกข์ขึ้นได้เสมอ แต่เราจะประมาทไม่ได้ว่าเราสา ม, มารถที่จะเอาเหตุผลที่เราเรียนรู้มาใช้ได้ทันช่วงที่และเหตุผลที่เราเอามาใช้เราก็ยังไม่แจ่มแจ้ ง, งยังไม่เข้าใจละเอียดอ่อนลึกซึ้งมันเอามาใช้มันก็แค่ข่าวสวยแตเดี๋ยวมันก็ปุดเกิดขึ้นมาเป็นตามคุบขึ้นมาอีกนึกทีไรมันก็จะคิดอีกนึกทีไรมันก็จะคอยหาเหตุหาผลก็มาติดจบไหมันนี้อารมณ์ไม่จบ บันตางกับผู้ที่ปฏิบัติถึงผลแล้วผลของความเข้าใจในธรรมแล้วสิ่งที่มันจะขึ้นมาในใจของผู้ที่ถูกกระทบก็คือความจริงที่ท่านเข้าใจมันจะเป็นตัวปัญญาขึ้นมาระงับเองจึงจะมีปัญญาเล็กน้อยสมาธิเล็กน้อยเป็นพระโสดาบันก็สามารถระงับความทุกข์ภายในใจของท่านได้ในเรื่องหยาบๆถึงจะเป็นพระอนาคามีก็สามารถระงับความทุกข์ในใจในเรื่องของรูปจริงๆแล้วสัมผัส ในเรื่อของอารมณ์ปฏิฆะได้แต่จบไปกว่านั้นพระอนาคามีก็ยังหลั่งับไม่ได้จะเข้าใจว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราก็รู้จะไม่เข้าใจในคําว่าไม่เที่ยงเมื่อยึดก็เป็นทุกข์จริงๆไม่มีอะไรก็ทราบไม่ต้องแนะนําไม่ต้องสอนกันก็ได้เพราะสิ่งที่เราเรรู้อย่างนี้มันผ่านหูผ่านตาผ่านความคิกของเรามานับครั้งไม่ท้วน จะไจะสังเกตไหมว่ายามที่เราทุกจริงๆเราไม่ได้สิ่งสิ่งนี้ไม่ได้ผุดขึ้นมาลังนะแต่มานป็นเหตุผลอื่นๆที่เข้ามาช่วยที่จะลังับเราคิดว่าเราต้องคิดอย่างนี้เราต้องทำแบบนี้เราต้องหักล้างด้วยอย่างนี้มันจะจะทำให้สิ่งที่เรากำลังทุกอยู่เนี่ยยึดติดลงไปได้แต่ยิ่งทำยิ่งปรงยิ่งทายิ่งกยิ่งแย่เข้าไปใหญ่สุดท้ายเราก็ย่าแย่ เป็นยากถึงที่เสร็จแล้วถึงจะหันกับมาหารพระเข้ามานั่งหน้าพระถ้ามานึกถึงคุณของพระพุทธเจ้ายากจะ่เราเห็นพระพุทธเจ้าลึกถึงท่านได้คราวใดเรารู้สึกว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนมันฝุดขึ้นมาในใจเราถ้าเมื่อเคิดออกได้เข้าใจได้แล้วรู้สึกมันเป็นสุขความสุขเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ดีใจมากว่านี่แหละพระพุทธเจ้าเป็นที่เพึ่งของเรา พระธรรเป็นที่พึ่งของเราพระอริยะงรงเป็นที่พึ่งของเราแต่มันช้าไปหน่อยมันช้าไปไอตอนที่เรามานั่งนึกได้ตอนหลังแต่ตอนแรกๆเราก็ปั่นปวดจิตใจของเรามากเสียเวลาไปเยอะดีไม่ดีในเวลานั้นอาจจะสร้างกรรมที่เรายั้งใจเราไม่ขันก็ได้เลือกกระทำในสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรก็ได้ถูกไหมมันเป็นแต่ละต้องการตัดสินใจด้ยเหตุผลของตนมันยังไม่รู้สิไม่ใช่วิกฤตที่ถูกต้อง ผู้สิงตรงนี้พอเข้าใจอีกหน่อยไหมว่าที่ฉันกำลังจะพูดเนี่ยมันคืออะไรดังการปฏิบัติหนึ่งก็ต้องมีสติสัมปชัญญะถูกไหมและจะต้องระ ล, ลึกนึกถึงเส ม, มอว่าพระอรตระนัไกรเนี่ยเป็นคิสรณะที่พึ่งอันยอดเยี่ยมจริงๆเออย่าวางทุระที่จะไม่ได้ถึงท่านก่อนถ้าเราจะไม่ได้พระโสดาบันยิ่งต้องทําให้หนัก หรือเป็สีดาบันแล้วก็ต้องทําให้หนักอีกเพราะสิ่งที่ยังทุกข์ยังมีอยู่อีกเยอะถูกไหมเป็นผ้าสิกิตาคาเมีอนาคามีก็ยังทำให้หนักอีกเพราะสิ่งที่มันละเอียดในความทุกข์มันยังมีอีกแยะดังสิ่งที่เป็นสาระที่เพิ่งอนุญาตเยี่ยมที่พระองค์ทรงประกาศว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสรณะที่พึ่งอนุญาตเยี่ยมบุคคลใดเพียงแค่ระลึกนึกถึงชื่อของพระองค์แม้จะไม่ได้ นึกจะทำค า, ารมแม่นึกก็อยากจะกราบได้บูชาแม้แต่ทั้งคันก็ไม่เคยถวายพระองค์เลยนึกเปียงชื่อของพระองค์อย่างเดียวตายจะไปสวรรค์ได้บุญใหญ่ไหมบุญใหญ่มันเข้ามาตู่เราแล้วเมื่อเรานึกถึงพระพุทธเจ้าคนเรานึกถึงพร ะ, ระได้ในบุเกิดแล้วนะถ้าในเวลานั้นนึกถึงพระไม่ได้เนี่ยแสลว่ากรรมมันยังลุงลุมเราอยู่ พ่อรองเราอยู่ไม่ปลดโอกาสให้เรานึกถึงสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดได้เลยทําไมหลวงพ่อท่านเพียงพูดว่าพู้ชานิสติกกรรมฐานสามารถปฏิบัติเข้าถึงพระดิพา น, น, น, าพนพได้โดยง่ายนี่จะเป็นมุมหนึ่งที่เธาจะได้เห็นว่าเวลาเรานึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งมีอํานาจข้าบารมีมากมายมหาศาลนึกตัดบุญสวใจเรา อตุกละกันคลายออกห่างเวลานั้นเวล่เราไม่สติสมบัตัญญากรับมาเป็นตัวเราแน่นอนเธอต้องนึกถึงคำสอนของพระองค์ได้ที่เราได้ยินได้ฟังมาทุกวีทุกวันเทสบ้างอ่านบ้างฟังมาสดๆบ้างเรียกว่ารู้ไม่รู้จนรู้อะไรแล้วแต่เวลาจริงๆเอาเอาเข้จริงๆเท่าเรานึกไม่ทันแต่จริงๆนั่นคือความคุ้นเคยใ้เหตุผลที่เราเคยคิด เคยเอามาพิจารณาเพื่อหักร้างหรหาวิธีแก้ไขด้วยกระดาษสิงชี้ใจเองาเรามีความทุกข์อย่าคิดว่าเราฉลาดคิดอย่างนั้นมันไม่มีทางเอาเอาชนะใจเราได้เนาะเขาว่าจริงไหมแล้วเราไม่ถึงกไปพู้เจ้า ก, ก่อนสิแล้วเราจะรู้สึกว่าเราเล่นฉลาดจริงๆริง จิตมันเริ่มกลับมาเป็นตัวเราตัวตนจริงๆไม่ใช่เต็นไปเพราความลำเอียงเพคว า, ามรักลำเอียงเพรความโลภลำเอียงเพคว า, ามโกรธลำเอียงเพคว า, ามกลัวความหลงมันไปอย่างนั้นใจมันลำเอียงไปซะอย่างนั้นแล้วไม่ว่าในกรณีใดกรณีหนึ่งปัญญาดับไหมดับนิวรณ์มันกวนใจแล้วปัญญาที่ไหนมันจะเกิดช่วยเธอได้สิ่งที่เธอรู้มาก็ช่วยเธอไม่ได้ ที่รู้กันเนี่ยมันเดินตามเป็นพระอารหรันะต์แล้วนะแต่เราเป็นพวกฝึกเยังเป็นพวกปฏิบัติอยู่องคตเด็ชพระปริ ม, มโคทรงจัดวจะได้ประมาทในชีวิตในากาที่เรานึกถึงองคตเดชพระทธมารสาไ่สืบพระพุทธเ จ, จา้าที่ให้มาทำไมพุทธภาวนาภาวนาเลิกถึงที่ของพระองค์ไว้ทำไมทีนี้เรจะภาวนาภาวนาจตเวลาใช้จริงๆเข้าเรากลับไม่เึิกถึงนี้ขึ้นมาเพื่ออะไร แต่จะนึกเรื่องอื่นแทนคำถามว่าปฏิบัติเพื่อจะเลือกสิ่งนี้ก่อนก่อนที่เป็นเลกถึงเลือกอื่นเนี่ยมันยากไหมมันยากต่อแรกเพราะจิตมันคุ้นเคยกับจำจําที่มันเคยคิดเคยหายเหตุหาผลแต่ถ้าเราค่อยๆจิตบ่อยๆเข้ามันกค่อยๆเร็วขึ้นทำช่วงตีขึ้น เวลามีอะไรไม่สบายใจปั๊บมีสติปุ๊บอยเพิ่งใจได้เฉื่งพักก่อนหยุดทุกเรื่องมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งเขาเล่ากันต่างอย่างนี้คือเขารู้ตัวว่าเขาเล่มทุกปุ๊บเขาเล่มทิ้งเลยพอพบใจจับเข้าไปในใจปั๊บเขาทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่เฉืงพักภาวนาพุทโธพุทโธเขาทําอย่างนี้ ท, ทันทีเลยนะเขากดจนชินนะ ถึงแม้จะเป็นเพียงแค่สัมมตาก็สัมมลันนักหยุดอารมณ์เราได้ในช่วขณะหนึ่งถูกไหมถ้าเราพิจารณาให้ตรงตามความเป็นจริงได้ละเอียดเท่าไหร่ความทุกข์ที่มันขังคายใจของเราต่อ น, นั้นมันก็จะดับไปหลายสิ้นไปแล้วไม่ย้อนกลับมาหาเราอีกฉันแนะนำเขาว่าเธอทําแค่นี้ยังไม่พอเธอต้องรู้จักคิดให้มากกว่านี้อีกหน่อยไม่งั้นสิ่งที่เธอะระงับทิ้งตามทุกข์ก็แค่ทีท้ง ม, มันไปไม่สนใจมันพอมันเกิดปั๊บก็ กักหาพลาดจริงๆกักหาพลาดจริงถ้าเราทําอย่างนี้ตลอดเวลายันตายมันก็ได้แค่ตายสมาบัติตายก็เป็นหนึ่งผมเห็นคามทุกข์มันจ ะ, ะเจกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าอยู่ในอนํานาจสมาธิฉนั้นวันนี้ที่แนะนําทุกอเธอทีค่ครังท่านให้ให้แนะนํากับเคิณทุกคนท่านพูดถึงว่าสาระอันยอดเยี่ยมที่เราทุกค น, นระลึกนึกถึงอยู่เสมอ อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์สนะเอื่อนใดนะไม่มีใครไม่สามารถที่จะเยี่ยมยอดเท่ากับพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์อีกแล้วแล้วมา่อเราปฏิบัติเราจะรู้ว่าจริงจนเช่นนั้นจริงจริงยามใดที่เรานึกถึงพระพุทธเจ้าได้เมือนเรากลับมาสู่ชีวิตที่พ้นจากอันตรายแล้วนะอุปมาเหมือนเราตกน้ำแล้วเราว่ายน้ําไม่เป็น มีขอนไม้โยนลงไปแล้วมันลอยมาหาเรารู้สึกเออชีวิตเราล่าเนี่ยถึงเราจะว่ายน้ำไม่เป็นก็จะลอาตัวแหละเราก็จกลัวอันตรายแล้วพอที่จะปล่อย ไ, ไปตามน้ำเดี๋ยวก็ขึ้นฝั่งได้ฉันได้ก็ะฉันนั้นนะการปฏิบัติที่เรากาลังทำกันอยู่ข้อแรกจำไว้อย่าได้ประมาทนะว่าเราเตือนตัวเองเสมอเรายังไม่ใช่คนดีเรายังไม่ดีอะไรเลย เราไม่ได้เสียงฟ้าเป็นอาตัดผลเลยอย่าว่าเราดีไม่ได้เมื่อเราดีไม่ได้เราต้องนึกถึงพระไว้นึกถึงพระผู้เจ้ษาพระธรรมพระอาริยสงฆ์เอาไว้นึกให้คล่องนึกให้เป็นปกติและจกพระอรหันต์ท่านยังไม่ยอมที่จะทิ้งสิ่งเหล่านี้เลยนะถึงแม้ปัญญาญาญของท่านเนี่ยรู้แจ้งเห็นจริงแต่เช่นในทุกณะเวลาที่สามารถ กระจัดตามทุกข์ที่มากระทบใจท่านได้เสมอแต่ท่านก็นระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ตลอดเวลาไม่เคยว่างเว้นในอนาคานุสติหรือมรณะนุสติอย่างนี้หลวงพ่อพูดไว้ชัดแต่เราในฐานักปฏิบัติสิ่งหนึ่งที่เรามองข้ามไปแล้วฝึกเวลาฝึกทําจิตใจให้เพื่อให้เกิดผลเนี่ยสิ่งนี้แหละเธอจาไว้ ยามใดที่ผลของใจของเธอเกิดขึ้นแล้วไม่ต้องพึงพึ่งนึกถึงพระพุทธ เ, เจ้าก่อนไม่ต้องนึกถึงพระธรรมก่อนไม่ต้องนึกถึงพระอริยสงฆ์ก่อนแต่เป็นปัญญาที่เธอเข้าใจแล้วความในสิ่งที่เธอถึงแล้วคือผลของใจมันเกิดขึ้นมาระนับดับความ ท, ทุกข์ที่มากระทบได้แ น, ใน่เลยถึงว่าเธอเก้าวเข้าไปอยู่ในเสถีของผลแล้ว อั้นี้ผลของใจจะเป็นยังไงเจอก็เคยอ่านมาแล S <S <twitch. S 1> ้วที่หลวงพ่อสอนไว้ในอารมณ์ของพระโสดาบันโสดาปฏิมักเป็นอย่างนี้โสดาปฏิผลเป็นอย่างนี้สกิตาตามีมักอารมณ์ใจท่านเป็นอย่างนี้สกิตาตามีผลเป็นอย่างนี้อนาคามีมักเป็นแบบนี้อนาคามีผลเป็นแบบนี้อรหธรรมมักเป็นอย่างนี้อรหผลเป็นอย่างนั้นต่อสอนไหมต่อ ถ้าเรารู้เราต้องการจะรู้ว่าเราไปถึงไหนแล้วผลของใจที่มันเกิดขึ้นในขณะที่ถูกกระทบเนี่ยมันจะเป็นเครื่องวัดวัดใจเราเลยถ้าเราจะอ้างอิงถึงเหตุผลอืินๆในตามคุ้นเคยที่เอามาใช้เพื่อความทุกที่เกิดในใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเสร็ใจแก้ไขมันให้จบสิ้นไปเรารู้สึกว่าเราถ้าทําอย่างนี้ได้เราจะไม่ทุกข์ใจก็ยังถือว่าเธอยังห่างยังไม่ถึงความ ตามสุขอันแท้จริงนะเราจะเอาเฉพาะเวลาที่ใจสบายหรือสงบนั่งทาสมาธิไม่ได้จะต้องมีสติสติที่คอยนึกถึงอยู่เสมอดู ว, ว่าติดของเราในมันทุกพอมีความทุกข์เรื่องอะไรเราต้องรู้ตัวไหมให้รู้ให้เข้าใจว่านี่เนี่ยเราเริ่มทุกข์แล้วพอเราเริ่มทุกข์แล้วสิ่งที่ช่วยเราได้ไม่ใช่สิ่งอื่นใดพระศนะใจเล็กไวพระพุทธเจ้า ช่เราได้คำสั่งสองพระองค์เช่วยหลายคนทุกได้พระอริยสงฆทั้ง ห, หลายเช่อเราคนทุกได้เอาใจนึกถึงท่านก่อนเราจะเห็นท่านหรือไม่เห็นท่านไม่สําคัญแต่เราเห็นความดีของท่านเมื่อเราเนถึงพระองค์ได้แนมะ้จะใช้คําว่าชี้พระองค์พุทโธคําเดียวณเวลานั้นใจของเราก็จะเหมือนกับว่าหลุดพ้นจากกรกสายถูกบีบรัดทำให้เรานั้นไม่สามารถหาทางออกได้อย่างสูกต้อง ชัดเจนขึ้นมาอีกหน่อยไหมนั้นส่งท้ายปีนี้และเธอก็ไปปฏิบัติโดยจิตผนของใจในปีหน้าของเธอมันจะเป็นยังไงและทุกวินาทีที่เธอมีลมหายใจเข้ออกอยู่พยายามตรวจดูใจของเธอไว้เสมอการดูจิตเนี่ยมันเป็นที่สุดของการปฏิบัตินะถ้าเป็นการ แก้ตรงจุดที่สุดแล้วป่าจิตของเราเวลานี้มันคิดอะไรมันถูกตรบกวนสิตสใจเพราะเรื่องอะไรไม่มีใครรู้ดีตัวของเราจริงไหมเรารู้นะว่าทุกเกิดจากที่ไหนเรารู้ที่เราคิดจนะทำให้เราทุกข์เพราะเราคิดอะไรอยู่แต่เราจะหาวิธีที่จะแก้ไขสิ่งที่ทำให้ใจเราเป็นทุกขนะ์น่ะจะวยวิธีอืน่นๆนะ่ะ แสดงว่าเราเนี่ยไม่ได้ถือเอาพรรัฒนะใจเป็นสาระาที่ขึ้นจริงไหมเราถือคิดผิดของตนถือตัวตนเองเนี่ยเป็นที่พึ่งคิดว่าเราเนี่ยสามารถจะแก้ไขปัญหาต่างๆ ท, ที่เกิดขึ้นในใจเราได้โดยคิดเอาว่ามาต้องคิดอย่างนั้นต้องเอาอย่างนี้ต้องแก้อย่างนู้นต้องทําไอ้นั่นต้องทาไอ้นี่จะไม่มีใครสามารถที่จะเอาสิ่งเหล่านี้มาทําให้จิตใจของเราเนี่ยนะผู้ยังปฏิบัติอยู่เนี่ย ดูพ้นจากความทุกข์ไปได้เลยมันแค่ระงับดักโซ่ข่าวแต่เดี๋ยวเถมันคิดอีกนะแล้วมันกคิดเรื่อยๆไปว่างวันไหนมันก็คิดเดี๋ยวมาเจอเห็นก็คิดอีกล้จบไหมไม่จบมันไปจบปฏิบัติเข้าไปปฏิบัติเข้าไปทำไมเราทำมันไม่เกิดผลอะไรทําไมเราจึงไม่เคยมีผลในการปฏิบัติเท่าไหร่ทาไมยิ่งทำยิ่งรู้สึกว่าเราแย่ลงทุกวันรู้มากขึ้นนะ ฟังทุกวันจัทุกวันเนี่ยรู้มากนะรู้มากจะตารปฏิบัติผลการปฏิบัติแย่ลงแย่ลงเพราะไม่รู้จะเอาอะไรไปใช้เยอะจาดไปหน่อยนั้นวันนี้พระพุทธองค์ทรงจะให้เรายึดถือเอาสารณะที่เราพูดทุกวันทุกวันเนี่ยหว้พรก็นถึงพระพุทธังค์เจริญกัญชานี่แช่ว่ากล่าวไถ่คำอย่างนี้ถึงสามวาระ ทุกครั้งเลยที่เราไหว้พระเราก็ทำอย่างนี้สมาทานศิลกธรําอย่างนี้ไหนพระตจ้งเราจะปลุกพระเราก็ต้องนึกถึงนโมจักจักพุทธังนังกะสาน้ธรรมสารังกะาน้คมงสังกะาวอย่างนี้เป็นอันดับแรกตลอดเลยพอเข้าใจนะไปลองิพิจารณาและปฏิบัติรูใหม่นะ ให้เรามีปิติกัเรื่องนี้ว่ายามใดที่จิตเป็นสุขก็รู้ว่าจิตเป็นสุขยามไดเมื่อจิตเราเป็นทุกข์เราต้องรู้ทันทีว่าทุกข์แล้วจะหาวิธีอื่นมาแก้ไขถ้าเรายังไม่สามารถดีผลของใจที่มันขุดขึ้นมาคือปัญญาของมันอ่ะมันจัด ก, การขึ้นมาได้เองแล้วก็รีบไปหาพระทิ้งความคิดทิ้งความที่จะหาเหตุหาผลทันทีทันใจตัดใจให้ได้วัดหยุดก่อนเดิียมตัวเองนะยอๆมันก่อ นะถ้า ต, ตอนนั้นมันอยากเป็นควายก็ยอมันไวะยอยอมันะอย่าพึ่งยอย่าพึ่งไปมึงหยุดก่อนมึงหยุดก่อนท้าก่อนหยุดก่อนนะไปหาพระก่อนไปเข้าเข้าพระกันก่อนนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนพอเรานึกถึงพระพุทธเจ้าปั๊บความคุ้นเคยนะที่เราเคยฟังพระตอนที่เราไึกถึงพระมันจะถุดขึ้นมาจันยา พอมันกิดขึ้นมาเราก็มีสติจำปัญญานิ่สงสงบมันก็มีการคิดถูกไหมตอนนั้นก็จะเป็นปัญญาเห็นไหมปัญญาจะเกิดขึ้นในขณะไถหลังวมื่อเธอเลิกเอาสัญญาที่นึกถึงคำสอนขึ้นมาพอใจระสงบนิ่งเท่าไหร่จับภาพระไว้ได้นานเท่าไหร่แล้วนึกถึงพระพุทธเจ้านานได้นานเท่าไหร่ก็ตามสิ่งที่เป็นปัญญามันก็จะละเอียดมากขึ้นละเอียดมากขึ้น ไอ้ตัวที่เธอไดเรียนรู้มานี่แหละมันจะฝุดขึ้นมันขึ้นมาเองอ๋อมันไม่เที่ยงอ๋อเราไปยึดมันซะเองจะรู้ไหมรู้กอรรู้แบบนี้มันมากเกินไปแล้วนะมากเกินแล้วมาเกินไปในการปฏิบัติแล้วนั่นไะปขยันหน่อยนะขยันที่จะเอาสาระที่พึ่งที่เธอเป็นวาจาเป็นปกติเนี่ยให้เป็ น, หนให้หนั่นในรัใจเป็นอดับแรก ให้เชื่อมั่นว่าพระสนัตติเป็นสนัตตขึ้นของเราจริงๆมีแต่พระพุทธเจ้ากระธรรพระอาริยสงฆ์ชนที่ทำให้เราหลุดจากทุกได้มีเท่านั้นจริงๆจนเมื่อเราเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วตอนนั้นผลของใจส่วตัวเราเนี่ยมันจะเป็นอัตติตอัตโนนาโถตอนนั้นนะครับอัตติิอัตโนนาโถไม่เจะอัตติิตอัตโนนาโถคือคิดเอาเองอยหางไมเาไ่อัตติิตอัตโนนาโถนะ เขาเรียกระเบอนะยิงไหมละคนง่ายตอนนั้นเองชีวิตชีวิตเราเองทักทายเอเองจัดการเองความรู้ที่ยอดเยี่ยมมาจากพระพุทธเจ้าพระพระุทธเจ้าทรงรู้ใทรงหาหนทางให้เราออกจากทุกข์ทำไมเราไม่ขับไปหาท่านขับไปนึกถึงพระองค์สินึกถึงชื่อของพระองค์ก็ได้เอ้ยเดี๋ยวเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่องค์ทรงสอนนั้อะไร ถ้าเราคุ้นเคยกับสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาก็จะขุดเชื่อมาในใจเราพอมันพักก็ได้จะําอ๋อตายเดี๋ยวเราก็ตายหยุดไหมหุดพอมันหยุดยั้งสติสัมปชัญญะมันก็เริ่มกลับไปคิดเรื่องราวที่เราจะต้องจัดการมันรม่ว่าเรื่องราวนั้นจะถูกกระทบกระเทือนด้วยเหตุไจข้าตามาพัดว่จาจะครวรรของภาพใจเสียหายนะเราจะต้องทํา อ, ทอย่างนั้นเราจะต้องทําอย่างนี้มีภาระต้องทําให้จัดการเรื่องนู้นเรื่องนั้น สิ่งเราต้องคิดคิดคิดจะทยังไงทำยังไงหยุดก่อนหยุดนึกถึงพระท่านก่อนถ้าเรามีสติปันธัญญะเราจะรู้ว่าควรจะต้องทําอะไรก่อนอะไรหลัแล้าควรจะวางใจควรทําเรื่องอะไรยิ่งคนที่มีตารเป็นทิพย์ของจิตเข้าถึงพระพุทธเจ้าได้จากกำลังมโนยิทธิ์เมื่อเข้าถึงพระได้วิธีแบบนี้พ๊ะเขาจะได้เปลือยกว่คนธรรมดาเยอะจริงไหมเพราะพระพุทธเจ้าจะรงจารบอกว่า นี่มันเรื่องเป็นอย่างนี้ลูกคิดอย่างนี้สิลูกมองความจริงเป็นอย่างนี้สิลูกเราจะถานั้นหนูจะแก้ไข ย, ยังไงจะทํำยังไงให้เรื่องเหล่านี้เป็นไงทําทอย่างนี้สิลูกยังเระนะีตลาดไหมตลาดเพะต้องคิดว่าเรายังโง่อยู่เยอะอย่าซึ่งคิดว่าเรานั้นดีแล้วหรือเราจะคิดเราไม่คิดตัดเองว่าเราดีแล้วแต่การทําตัวเราเองเนี่ยมันเครื่องฟ้องว่าเราดีแล้วดีกว่าเราไปนได้ถึงพระก่อน กับเลือกเรื่องเรื่องของความคิดเห็นของตัวเราเองก่อนถูกเข้าใจไมนั่นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับเธอทุกคนอย่างหนึ่งเหมือนกันนะที่พระ อ, องค์ทรงแม่ตาให้แนะนำเนี่ยจริงๆฉันจะพูดเรื่องอื่นใน้ไ ป, เ, ไปดเดี๋ยวพูดว่าเดี๋ยวจะให้คุยเรื่องการให้ใช่ไหมนนั่นนงนๆพระ อ, องค์บอกไม่เอาเรื่องนั้นจะเอาเรื่องนี้ แลื่นี้ก็พูดเรื่องนี้นะแน่นอนให้เธอทุกคนก็คิดว่าโอกาสของเราจะดีกว่าคนอื่นเขาเยอะมากเยอะมากถึงเราจะไม่ถึงซึ่งพระพุทธเ จ, จ้าอย่างเต็ม 100% ตัวก็ตามสินนะพระทั้งหลายที่มีความเข้าใจในธรรมก็สา ม, มารถจะสื่อสิ่งนี้มาให้กเธอได้ไหมได้อย่างพเดชประคุณหลวงพ่อนะถ้าก็ทําอย่างนั้นนะ นั้นความดีของ พ, อพระผูะ้ใจกลางพระธรรมพระอริยสงฆ์นี้สําคัญไหมสําคัญที่สุดทําให้เราออกจากความทุกข์ได้จริงไหมได้จริงๆเราต้องหนักนั่นกับเรื่องนี้จริงๆนะอย่าเอาตัวเราเป็นสําคัญนะจนกว่าเราจะถึงอริยผลแล้วนั่นเป็นเรื่องของเธอแน่นอนเพราะว่าเธอไม่ต้องพึ่งเช่อื่นแล้วตอนเป็นที่พึ่งแห่งตนจริงๆริงนั้นแปลว่าอัศวิัตโนนาโถอย่าไปใช้มันผิดทางนะ ความหมายแหละถูกแต่เธอเอาไปใช้พาดจริงในสิ่งที่มันไม่ถูกนั้นคํานี้ก็จะใช้ก็เมื่อเราเนี่ยมันมีปัญญาอผล้อตงตามเข้าใจในความจริงมันเกิดขึ้นโดยเราไม่ต้องอาศัยสิ่งอื่นแล้วคือปัญญาของเราเองแล้วมันสามารถดับทุกข์ด้วยตัวเราเองโดยไม่ต้องอาศัยใครแล้วนั่นแหละคือสาณะที่พึ่งที่เลวัตตะหิอัตโนนาโถโดยแท้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเรายังทําไม่ได้ ตเรายังไม่สามารถที่จะมีปัญญาแจ่มแจ้งถึงความเข้าใจที่มันสามารถจะเอาไปหักล้างความทุกข์ที่ในขณะที่สุกกระทบได้อย่าเอาตัวเราเป็นเกณฑ์นะกลับไปหาพระทำเชอทําอย่างนี้กันเถอะนะมันจะเป็นผลทางการปฏิบัติที่เร็วที่สุดนั้นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนํากันมาว่าพุทธานุปติกรรมาธ ถ, ถึงซึ่งพระนิทานได้เร็วจริง คนเาไม่ถึงพระสักอย่างนะมันทาให้เราเดินเข้าหาความจริ ง, งได้เร็วขึ้นปฏิบัติห้ความหาความสงบได้ไวขึ้นถูกไหมโบราณอาจารย์ที่เชิญให้ภาวนาพุโทโธพุธโทโธกันก็เพราะว่านึกถึงพระสิน้กถึงชื่อของพระท่านสินึกก่อนสิจะไม่ได้ท่องเป็นนกเจ้าวนกขุนทองนะโบราณอาจารย์ท่านฉลาดที่จะให้คําคำหนึ่งที่ง่ายๆในการพุดเข้าโทอออกพุดเข้าโทออกเราจะรูสว่เออพระท่านอยู่กับเรา ความทุกข์ทั้งหลายที่มีในใจเราก็เลยจะถูกขี่คาลงไปได้อำนาจของพระพุทธานุภาพธรมานุภาพสังขานุภาพอย่างนี้เป็นต้นเข้าใจนะเออวันนี้ก็ไม่แนะนำอะไรเกินไปกว่านี้แล้วนะคิดว่าสิ่งที่พูดมาพอจะเป็เครื่องให้เจไดเอาเอาไปปฏิบัติแล้วก็เอาไปพิจนานาตนอย่าคิดถือว่าสิ่งนี้กระท่านบอกมาเนี่ย มีค่าไหมมันมีค่าสำหรับเธอทุกคนนะเพราะไอการปฏิบัติถ้าเราพลาดเรื่องแบบนี้ไปแต่แล้วนี่มันเสียเวลานา น, านมากนานมากเลยจะจกลายเป็นว่าทำไมปฏิบัติแล้วไม่คืคบหน้าสะกทีทำยังไงก็ไม่สามารถพัฒนาตัวเองให้ถึงผลสักที ตั้งใจในสิ่งคุณของพระพุทธเจ้ากันนะพระธรรมพระอริยสงฆ์ครูบาอาจารยส์สืบกันมาเป็นหลงปู่ปานวัดบางนงโครพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระารจารปรมัญญาเป็นที่สุดนะพระเจ้าเจวดาหลวงป้าทัา้งหลายที่สงเคขาะเรามาโดยตลอดในท่านปูส่มสมบัติมท่านปู่พี่อินทัญญาพังคลามีท่านลงพญายมท่านลุงนาเป็นชีท่านายจ้ า, จาุมาราชทั้งสออินตกแล้วก็บเรวาน และก็เทวดานังฟ้าคมทั้งหลายทั่วสากคนละทิศภพแล้กระทั้งคูบาอาจารย์ที่เป็นมนุษย์ในระบบคนทั้งหลายที่เป็พื่อร่วมเกิดแก่เจ็บตายของเราที่เมตตาเพื่อกดเตือนเพื่อชี้แนะเราล้วนแลกวแต่เป็นผู้มีพระคุณต่อเราเสมอเราจ ะ, อะขอตั้งเจตนาเป็นปัิยาธิฐานก็คือการากล่าววาจาที่ส่วนกุ ศ, ศกกลนั่นเองนะอทองบุญยะพลังเป็นะบุญใด ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วนโอกาสนี้ขออุทิศส่วนโคศนี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวททั้งหลายที่เคยร่วมเกินตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ท่านทั้งหลายจงโหทนาจงอาโหติกรรมให้แก่ข้าพเจ้า และตั้งแต่บัดนี้ตระพาเข้าสู่พระนิพพานและขอที่ส่วนกศลนี้ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายที่ปกตารักษาเข้าระเจ้าได้เทพเจ้าทั้งหลายทั่วสารคนรักที่พบและปยาเ ย, ยมาราชขอเทพเจ้าทั้งหลายและปยาเ ย, ยมราช ได้โปรดโมทนาราได้โปรด เ, เป็นสักขีพยา น, ใ, ยานในการบําเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ดนได้เกิดและขอที่สุดกุศลนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่เสวยความตุกอยู่ก็ดีเสวยความทุกอยู่ก็ดีเป็นญาติก็ดีนิเชญาติก็ดี ขอให้ท่านทั้งหลายจงโมทนาเึือได้รับประโยชน์ความสุ ข, สขเช่นเดียวกับข้าพุทเช่นเดียวกับข้าพาเจ้าจะคึงได้รับและการระบัตดเกี่ยวนี้เถิดผลละบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็นแล้วพระโอกาสนี้ขอผลละบุญนี้จงเป็นปัจจัย ใ้ข ok ้าพเจ้าท <t ml 1> ั้งหลายได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในภาคปัจจุบันได้เห็นยะถาวาริปหาภุราพาิตุเรนภิสารังเอวะเมวะอิโตจินังเตตานงอุปาคัปติอิจิตังปะจิตังสุมหังคะเมวะสมิสตุ ส o พเพกุเรนโตตังก no ัปปะจันโทปนราโทยัคขามะนิโชติระโทยัคาสัพพีติโยวีวัชันตุสัพพะโรโขวีนัสตุมาเตโกวันวันตระยโยสุขีที่ายุโกภะอาภีวาสนาปิริสะนิจมุตสาปัจายโนจัตตาร ธรรมวัชชันติอายุวันโนสุ ข, ขังพะลังระหังสมาสัมุทโตภควาส ว, ว, ว, วันจางอภิว า, ว, าวันางอภิมิวะข้าโตภวะตาโอัมางนมสะามิ ปิปันโนพระกัตโตวะสะอวะกสังโคตัตนนาา้ ง, ง น, มามนามสนาทุกคนนะขอชีวิตที่เริ่มต้นกับนิมิตใหม่ๆจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของเธอทุกคนโดยในุกซุเร่งนะสิ่งใดที่เป็นความปรสนาก็จงได้สมเด็จรวมป่าปรสนาได้โดยง่ายฉันทกันใจ สิ่งใดที่เป็นโทษเป็นภัยก็จงแค้นฆ่าอย่าได้มาเจอกับสิ่งที่เป็นของเลวร้ายไม่ว่าจะมาจากไหนขอได้อํานาจแห่งพระพุทธานุภาพธระมานุภาพพระสังฆานุภาพพระเจวตานุภาพกรูบาอาจารย์ทั้งหลายคุ้มครองปกปักรักษาของเธอตลอดชีวิตของเธอกันกว่าจะขิ้นอายุไขถึงซึ่งนิพพานในชาติปัจจุบันทุกคนเถิดอ๋อโดยท่านอกสนใจกันนะ h a t s h e